อาเชิญส่งกันบ้านเลยคนน้อยๆได้โอกาสพอดีเ <c oughs> มื่อวานก็มากับเพื่อนรอบแล้วครับผมส่งกันบ้านในลักษณะของภาพรวมครับมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ผมดูอยู่บ่อยๆก็คือดูเรื่องเอที่เป็นจุดอ่อนของกระผมในแง่ของมานะทิฏฐิครับที่แฝงกับมาในรูปของความคิดหรือว่ามโนกรรมครับเขาเห็นมันบ่อยขึ้นเท่าที่สติปัญญาพอจะมีอะครับ ได้ทุกครั้งที่เห็นมันก็ได้บุญได้บุญได้กุศลเพราะเรารู้ทันจิตมันชอบปรุงเราบังคับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะคิดดีจะคิดร้ายนะาก็ไม่ว่ามันให้เราคอยรู้ทันมันนะใช้ได้ดีแล้วนะคุณสุเชัยไ ม, ไ, ไม่ทราบหลวงพ่อมีอะไรจะชี้เนะเพิ่มเติมหมคุณสุเอชัยใช้ได้แล้วภาวนาเพียงแต่ว่าอย่าไปบังคับมันตอนนี้มันบังคับเกินจริง เวลาเข้ามานั่งในห้องนี้มันจะเกินธรรมดาเป็นไงจริงๆแล้วมันไม่เรื่อถามอะไรด้วยครับแต่ว่ามันมันก็มีติดลึกๆแต่ว่ามันคคาถามที่จะออกไปมันดูออกไหมจิตติดอยู่ดูออกไหมจิตไปติดอะไรอยู่เหมือนมันติดอยู่ครับให้ดูแค่นั้นพอละไม่ต้องอยากหลุด ถ้าความอยากเกิดขึ้นจิตจะดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ให้มันรู้ไปว่ามันติดนั่นแหละตอนมันมันเหมือนกับมีอาการทางจิตอยู่ตอนจะนอนอะไรเงี้ยอะไรนะมันเหมือนมีกับอาการทางจิตมันเคลิ้มแล้วมันเหมือนกับติดในทุกอย่างเหมือนก็คนก็เครื่องหลับเครื่องตื่นนะครับตอนนั้นก็เคลื่อนไหวให้เยอะๆนะให้มารู้กายให้มากๆก็เคลื่อนไหวไว้ ดูจิตยอย่างเดียวละเอียดเกินไปบางทีดูแล้วเคลิ้มเคลิ้มไปก็ามารูปกายตอนีนจะคล่ำครวนแล้วลรู้สึกไหมใช่ครับจิตมันคล่ำครวนนะให้รู้ทันไปผมจะนั่งสมาธิตามที่หลวงพ่อแนะนําก็รู้สึกว่ามันไม่มันไม่สู้เท่ากับเราเดินไปเดินเอนะต้องไปเดินอย่าไปนั่งนั่งไม่ได้เลยอย่ะไม่นั่งเลยเอาแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกถึงบอกว่าต้องเอาร่างกายเขาช่วยจะไปดูแต่จิตเคลื่อนไหวไม่ไหวไดูร่างกายเคลื่อนไหวไปด้วยแล้วก็ค่อยๆสังเกตไปร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยเอาใครจะคุยเชิญยกมือเดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าแถวและ นมัสการหลวงพ่อค่ะพึ่งจะมีโอกาสได้ส่งการบ้านเป็นเรื่องเป็นราวครั้งแรกค่ะคือว่าโดยภาพรวมค่ะดูจิตมาสมเดือนแล้วก็เห็นว่าตัวเองหลงเยอะคิดเยอะแล้วก็อยากบ่อยคิดอิจฉาด้วยก็ <laughs> มีอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเออเราปฏิบัติได้ถูกต้องไหมก็อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําเพิ่มเติมถูกนะถ้าเราเห็นกิเลสแล้วก็ถูกทั้งนั้นแหละหากิเลสเกิดขึ้นมาให้เรารู้ทันแล้วก็ พอเรารู้ทันกิเลสแล้วเราก็มารู้ทันจิต mm hmm. เช่นพอมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วเราไม่ชอบเนี่ยให้รู้ทันที่ไม่ชอบนี่ค่ะ<น>แล้วก็มีเรื่องปรึกษาอีกเรื่องนึงนะคะ่ค่ะหลวงพ่อคือว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะคะมา กลับหลวงพ่อแล้วพอดีช่วงนั้นก็อยากส่งกันบ้านแต่ไม่ได้ส่งแล้วขากรับอะค่ะเรารู้สึกว่าเราเสียใจมากมันแล้วเราก็ดูความเสียใจใช่ไหมคะมันจะเห็นเลยว่าความเสียใจก็อยู่ฝากหนึ่งคนที่รู้ก็อยู่อีกฝากหนึ่ง<อ>มันมีอะไรก็ไม่รู้มขั้นอยู่อะค่ะคือพอเรามีสติขึ้นมานะแล้วใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นทุกอย่างนี่ออกห่างๆไปร่างกายก็อยู่ห่างๆนะความเสียใจก็อยู่ห่างๆมันมีช่องว่างระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะ มันไม่เข้าไปคลุกกลมเป็นก้อนเดียวกัน ค, คนในโลกนี้มันไปรวมเป็นก้อนเดียวกันมันก็เลยทุกข์มากนี่พอเราแยกออกมาเนี่ยเราจะเห็นสภาวะแต่และตัวนี่ไม่ใช่ตัวเรา แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอะค่ะหลวงพ่อวันรุ่งขึ้นนะคะก็รู้สึกเหมือนตัวเองเห็นนิมิตนะคะคือมันเห็นเป็นแสงเป็นสีอะไรเงี้ยแล้วจริงๆหนูก็เป็นเด็กวิทย์ใช่ไหมคะหนูก็จะอยากจะพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงอีกใจหนึ่งฟังซีดีหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อก็เคยบอกอว่าพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราภาวนาเพื่อพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าใจเรามันอยากดูมากๆอยากเห็นอีกเรารู้สึกเหมือนกับแบบว่าใจเรามันไม่ใช่ตัวเราอีกแล้วอะค่ะมันเป็นคนอื่นรู้สึกแบบนั้น อ, อ่ใช่พอเราฝึกแล้วเราจะพบว่าตัวเราไม่มีนะมีแต่วัตถุธาตุบ้างเป็นนมามธรรมบ้างนะมารวมกันชั่วคราวแต่และตัวก็ทำหน้าที่ของเขาเองแล้วเราบังคับไม่ได้อย่างจิตมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันทางานของมันได้เองเราบังคับไม่ได้อย่างอยากมันก็อยากของมันเองนะดูไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะละความเห็นผิดว่ามีตัวเรา ถ้าเมื่อไหร่ละความเห็นผิดเมื่อมีตัวเราได้อย่างแท้จริงนะเขาเรียกว่าพระโสดาบันเพราะงั้นการที่เราดําเนินจิตมาเราจะเราเห็นกายก็ส่วนกายเวทนาคือความสุขความทุกข์อะไรก็ส่วนความสุขความทุกข์ไปสังขารฝ่ายดีฝ่ายชั่วโลภโกรธหลงนะสิ่งเหล่านี้เป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราจิตเองก็เป็นของบังคับไม่ได้มันทํางานของมันได้เองนี่พอเห็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกจะละความเห็นผิดเ่อ สิ่งเหล่านี้คือตัวเราได้ค่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมให้หน่อยไหมคะสิ่งที่<ห>เป็นตัวเรานะเนี่ยเวลามันรวมกันแล้วเราก็รู้สึกมีเรานะแต่พอมันกระจายออกเป็นส่วนๆแล้วจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรานะการศึกษาธรรมะในศาสนาพุทธเนี่ยมีวิธีการที่เรียกว่าวิพัฒชวิธีวอลแวนสละอิพอสัเพอไมนาอากาศชอช้างวิพัฒชะนะวิพัฒชะคือการจําแนกคล้ายๆเรามีรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆ พอเราถอดเป็นชิ้นๆเราพบว่ารถยนต์ไม่มีหรอกตัวเราก็เหมือนกันตัวเราไม่ได้มีจริงๆเป็นสิ่งหลายสิ่งมารวมๆเป็นอยู่เรียกว่าขันห้ามันมารวมกันอยู่ถ้าขันนี้กระจายตัวออกไปเราพบว่าแต่ละขันก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนอะไหลแต่ละชิ้นไม่ใช่รถยนต์ถ้าเห็นซ้ําๆๆไปนะถึงจุดหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงตัวนี้หนูรู้สึกว่าใจหนูมันดื้อมากอะค่ะมันไม่ยอมรับไม่ไม่ยอมรับง่ายต้องดูซ้ําๆ จนมันยอมจำน้นกับข้อเท็จจริงไม่ยอมรับง่ายหรอกต้องยอมจำน้นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วแต่และคนนี้รักตัวเองมากที่สุดหวงแหนกลัวตัวเราจะหายไปกลัวตัวเราหายไปพอเรามาเริ่มภาวนาพอเห็นตัวเราไม่มีบางคนกลัวเลยบางคนตกใจบางคนเซ็งไปเลยนั้นให้ภาวนาดูต่อไปอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนมันหายดือ้อ งานที่หนูดูนี่ก็คือใช้ได้่ไหมล่ะดูไปได้ได้เมื่อกี้ใครยกมืออามคือพอเมื่อประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่มันจิตมันไม่เป็นกลางคือมันเจริญจิตมันไม่เป็นกลางคือมันเจริญแล้วเราบอกว่าไปชอบมันพอมาเมื่อวานอาทิตย์ตอนเย็นนะครับรู้สึกว่ามันเสื่อมไปทันตาเห็นแล้วเราก็ไปไม่ชอบมันอีกพอมาเมื่อเช้านี้ก็มาเดินเดินทำาำรูปแบบก็ ยังเละเทะมันก็มันยังอยากอยู่เพามันอยากอยู่นะก็คือกิเลสมันยังเกิดอยู่สติมันไม่เกิดมันก็ยังไม่ดีแต่ถ้าดูเล่นๆนะครับมันจะดีเองก็รู้สึกว่าตัวกิเลสไอ้ตัวกุบกุจจะนี่มันเข้ามารู้สึกว่าพอมันไม่ดีเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเข้ามาแบบว่าครอบแบบว่าเละเทะไปเลยเราโมแต่กลัวกิเลสตัวอื่นลืมลืมกลัวกุกกุจจะ ใจมันทนไม่ได้ที่มันไม่ดีให้รู้ทันไปแล้วก็คือว่าอย่างเรื่องส่งกันบ้า น, นครับแบบมันรู้สึกว่ามันจิตมันคลํำครวนแบบว่าใจนึงก็อยากจะวัดใจตัวเองประมาณว่าถ้าเรามามาหาหลวงพ่อบ่อยๆเนี่ยแล้วต่อให้ไม่ส่งกันบ้านเลยเรานั่งอยู่เฉยๆถ้าเกิดเราจะออกนอกรู้นอกทางไปเดี๋ยวหลวงพ่อก็คงทักเองละมัง้ง เดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ค่อยทักแล้วทักไม่ไหวแค่ดูคนที่ถามนะก็หมดแรงแล้วนะงั้นมีอะไรสงสัยก็ถามเอานะบางคนเล่นถามในใจมันเหนื่อยนะแค่ฟังด้วยหูก็เหนื่อยจะแย่แล้ว อ, อีกใจหนึ่งก็คิดว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าไม่ถามคราวนี้ไม่ไม่ถามทุกวันหรือไม่ถามคราวนี้มันกลัวว่าแบบว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้ถามคืออ ย, อย่ากลัวมากสิ เราไม่ได้ศึกษาเอาความรู้นะเราไม่ได้ต้องการความฉลาดรอบรู้อะไรหรอกคือไม่ได้ต้องการตรงนั้นนะครับคือกลัวแบบว่าคือผมเคยไปปฏิบัติกรรมฐานที่หนึ่งมาแล้วอาจารย์กรรมฐานเขาเคยเปรย์กับคนขี้เกียจขี้เกีว่าเนี่ยพวกคุณไม่ข ย, ยันบางทีเดินออกไปนอกวัดอาจจะโดนรถชนตายไปเลยก็ได้ใครจะรู้ผมก็แบว่านี่ไงเวลารถชนนั่นจะเป็นอย่างที่คนเมื่อวานเขาเล่าอะ่ <c oughs> ะเมื่อวานมาครับ <c oughs> มันจะอัตโนมัติเลยพรเราฝึกเอาไว้อย่างชํานาญละ ไม่ต้องไปกังวลหรอกแต่ว่าชาร์หน้ามันก็ลืมนะครับมันก็ชาร์หน้ามันจะกลับมาง่ายถ้ามีอะไรที่ตกใจนะแรงๆสตรีมจะเกิดขึ้นเองแล้วก็ไปฟังซีดีหลวงพ่อเอาก็แล้วกันกลว่าเกิดมาชาร์หน้ามันอาจจะแบบว่าไม่มีซีดีหลวงพ่อให้ฟังแล้วทําไมจะไปตกนรกนานจนซีดีหมดเชียวเหร อ, อไปขอบพระคุณมากครับ คือไม่ได้ส่งการบ้านประมาณเกือบ2งเดือนนะคะอยากจะขอหลวงพ่อช่วยตรวจการบ้านใช่ได้นะดีแล้วเห็นไหมทุกอย่างมันอยู่ห่างๆไปหมดแล้วก็คือคือก่อนหน้า น, นี้ที่ที่มันเหมือนมันรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมันรู้แล้วมันเห็ น, น, น, เ, หนเห็นสภาพของการรู้อะคะอ่ะเออนะรู้ไปเรื่อยนะถูกใช่ไหมคะถูกแล้วดีแล้วแล้แลที่มันรู้อยู่นอกๆอะคะ่ะหลวงพ่อ ไม่เป็นไม่เป็นไรใช่ไะใช้ได้หลวงพ่อจา้าค่ะสะ ก, การค่ะคือก่อนปีใหม่อะค่ะมันเหมือนจิตหนูมันจะไปอยากปฏิบัติแล้วก็เสร็จแล้วมันก็ล้มลงไปฮะก็เลยนับหนึ่งใหม่แต่พอหลังปีใหม่มาจิตมันสุกอยู่นอ ก, นอกแล้วมันลอยๆอะค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วก็ไปฟังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าถ้ากําลังมันอ่อนไงคะให้เหมือนดูที่สัทธาใหม่ไรเงี้ยก็กให้อะไรนะเอ่อให้แบบเหมือนมีจิตที่มัน มีคําถามของพี่คนหนึงอะค่ะเขาถามว่าจิตอ่อนลงแล้วทํำยังไงอะไรเงี้ยให้จิตมีกําลังขึ้นอะไรเงี้ยอ๋อจิตไม่มีแรงใช่ค่ะไม่มีแรงฟังซีดีหลวงพ่อก็ได้มาวัดก็ได้นะเออเสร็จแล้วพอหลวงพ่อบอกว่าให้แบบเหมือนให้ดูที่มันไม่ตั้งมั่นอะไรเงี้ยมันก็เริ่มตั้งมั่นขึ้นใช่ใชค่ะมันตั้งได้เองอะค่ะแล้วสแล้วพอนึกถึงคุณของครูบาจานทร์นะคะจิตก็มีความสุขขึ้นอะไรเงี้ย แ, แต่มันมีความสุขที่มันเหมือนเคลิ้มๆค่ะหลวงพ่อให้รู้ทันว่าเคลิมไปโมหะมันแทรก อ๋อค่ะแล้วจิตที่มันอาการของหนูนคือที่มันติดรอยสุกๆนี่คือมันไม่ตั้งมั่นเล้ใช่ไหมคะมันออกไปแช่อยู่ข้างนอกอ๋อแล้วบางทีเวลาจะเอาไปทำงานนี่ค่ะแล้วมันเหมือนแบบวาต้องอยู่กับลูกค้าแล้วมันเหมือนแบบมันไม่อยากดูคนอื่นนะคะมันอยากแต่ดูเดี๋ยวข้างในเลยกันมันจำเป็นนะจเป็นต้องไปดูคนอื่นเราก็ต้องไปแล้ว หนูต้องใช้ระหว่างแบบดูคนอื่นนีคือต้องแบบรู้ตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมให้ดูที่ใจเราหรใจเราไม่อยากดูแลใจเราไม่ชอบให้รู้ที่ไม่ชอบนี้ความจริงนะ่ยมันดีที่มันไม่อยากดูคนอื่นแต่ว่าเรายังมีหน้าที่การงานต้องรู้คนอื่นอยู่มันจําเป็นก็ต้องรู้ไปแล้วก็ใจเราไม่เป็นกลางต่อการรู้นั้นเราก็รู้ทันว่าไม่เป็นกลางไม่ชอบนะแล้วหนูต้องทําดูต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเดืไปเลื่อยอย่าไปประคองไหมนะตอนนี้บังคับแรงไป อาใครโอยกมือเมื่อกี้นี่นมศาส ก, การค่ะหลวงพ่อมาส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็คือจริงๆฟังซีดีหลวงพ่อมาปีกว่าแล้วแต่ว่าจุดอ่อนคือทำทำหยุดหยุดะคะก็เลยล้มลุกคลุกคาลําพัดีช่วงปลายปีไม่สบายก็เลยตั้งใจพอไม่สบายนี่ดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยก็เลยตั้งใจว่าต่อไปนี้จะมาส่งกันบ้านอย่างน้อยพอเตอร์ละครั้งจะได้ไม่ออกนอกลู่นอกทางดีแล้วค่อยฝึกใจค่อยๆตื่นแล้วล่ะ ใจใกล้จะตื่นเต็มทีแล้วทีนี้จะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำนะเจ้าข่าวว่าต้องรู้สึกไหมตอนที่จะให้หลวงพ่อช่วยแนะนําเนี่ยใจมันเหี่ยวเหี่ยวลงไปไหนเห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรค่อยๆหัดทีนี้หนูปฏิบัติในรูปแบบทุกวันคือก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ว่าจะมีปัญหาช่วงที่นั่งสมาธินะคะคือจะดูท้องพองยุบแต่ว่ามันจะเห็นพองยุบไม่ค่อยชัด ก็เลยไม่แน่ใจว่าทําถูกหรือเปล่าพอเห็นพองยุบไม่ชัดก็จะไปดูรู้ที่กายกับดูที่จิตแวบไปคิดนูน่นคิดนี้แทนให้ <นะ S 2> ดูจิตที่แวบไปคิดนูน่นคิดนี้ไปหรือจิตไหลไปอยู่ที่กายตรงไหนให้รู้ทันนะคือกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยนะสุดท้ายมันรวมลงที่จิตอันเดียวเพราะกิเลสเกิดที่จิตนะกุศลเกิดที่จิตมรรคผลนิพพานเกิดที่จิตนเะอี่ยมัวแต่ดูท้องพองยุบนะพองยุบไม่มีกิเลสหรอือ เรียนอยู่ที่จิตเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราดูท้องฟองยุบไปดูเป็นแบ็คกราวด์อย่าไปดูให้ชัดถ้ามันหายไปก็ไม่เป็นไร<ช>ไม่เป็นไรเวลาที่จิตเราแวบไปเนี่ยมันจะหายไปเพราะจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวพอมันแวบหนีไปคิดมันไปรู้เรื่องที่คิดแล้วมันจะไม่ดูท้องฟองยุบละคือหนูเหมือนคิดเยอะแล้วก็โทสะแรงนะคะ อ, อย่างเงี้ยดูจิตง่ายดูจิตดูไปเลย เนี่ยพวกคิดมากก็เรียกพวกทิฐิจริตพวกคิดมากเหมอกับการดูจิตเมื่อจิตจะกระเพื่อมเร็วเปลี่ยนเร็วก็จะเห็นตัวเองเลวลายมาแต่ละวัาาน่นแหล ะ, ะ, ะดีละน ะ, ะคุณนี้มากกับใครมากับเออผมกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพครับผมมาที่นี่ครั้งแรกครับก็มีความปิติที่ได้มากราบหลวงพ่อครับ ผมอยากจะขอทราบแนวทางในการทําให้จิตใจผมสงบขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมานี่ในบางครั้งผมจะค่อนข้างคิดมากมีความพิจต ก, กังวลนะครับให้จิตสงบนะไม่ยากอะไรหรอกให้คอยรู้ทันจิตเวลามันฟุ้งซ่านไว้ถ้าเรารู้ทันอย่างใจมันหนีไปคิดเราคอยรู้หนีไปคิดครยรู้เดี๋ยวก็สงบเองไม่ต้องบังคับนะจิตเป็นของบังคับไม่ได้จิตมันเหมือนเด็กดือ้อยิ่งบังคับยิ่งดือ้อให้เราคอยรู้ทันมัน มันหนีไปคิดแวบๆหนีไปแล้วรู้สึกไหมหนีไปแล้วก็คอยรู้รู้อย่างสบายๆของคุณรู้แบบเคร่งเครียดมากไปต้องรู้แบบผ่อนคลายนะซึงเยอะใช้ได้รู้เล่นๆไปคุณวุฒใช้ได้แล้วแต่แตะกี้กาลังหลงนะแต่ว่าพื้นฐานใช้ได้นมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะมาส่งการบ้านครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็คือปกติก็คือจะแป๊บหนึ่งนะโอ้หลงไปแล้ว ก็ปกติก็คือจะตามรู้ในชีวิตประจําวันนะคะเธออยากให้หลวงพ่อแนะนําว่าที่ปฏิบัติอยู่อะค่ะคือใช้ได้ไหมเห็นกิเลสไมเห็นกิเลสไหมวันหนึ่งเห็นค่ะเห็นเยอะไหมเยอะค่ะยิ่งเยอะยิ่งดีนะถ้าภาวนาเป็นจะเห็นแต่กิเลสเกิดทั้งวันเลยรู้สึกว่าตัวเองคิดเยอะมากเลยวันวันึงเมื่อก่อนไม่รู้สึกมั้งก็รู้สึกน้อยกว่าเนี้ยค่ะพอเรามาหัดดูนะเรารู้ทันเลยมันแอบคิดตลอดเวลา พอมันคิดไปเดี๋ยวก็เก <It> ิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลหมุนเวียนไปเรื่อยๆเราไม่ห้ามมันเราจะคอยดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นแต่ว่ามันไม่เที่ยงมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นได้ว่ามันบังคับไม่ได้มันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันจะดีหรือมันจะร้ายล้วนแต่ของบังคับไม่ได้ดูเพื่อให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้จนวันหนึ่งใจเราจะปล่อยมันไปรู้แล้วบังคับไม่ได้ก็ต้องตัดหางปล่อยวัดไป มีอะไรต้องแก้ไขไหมคะไม่แก้นะ ด, ดูให้บ่อยๆอย่าขี้เกียจแล้วกันตอนนี้จิตตื่นเลี่ยงค่ะยังฝ <c oughs> ึกไปนะฝึกไปรู้สึกไม้มจิตเศร้าหมองไม่ค่อยรู้สึก <c oughs> น่าหัดรู้สึกน้ามันจะได้ตื่นรู้สึกตื่นเต้นอื <c oughs> ตื่นเต้นรู้ไปนะตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นสังเกตไหมใจเราไม่คงที่ใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารู้สึกไหม ให้ตามรู้ไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนแปลงเราก็ค่อยตามรู้ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดขึ้นมามันรู้เลยจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้หรอกนะมันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันจะดีหรือมันจะร้ายเราเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้อ้าใครจะคุยต่อเชิญเอาภาสานไปทําอะไรมาไม่ได้ทําอะไรครับแล้วมันเป็นไงวันนี้อื มาว่าติดกันสามสี่วันนี่วันนี้กดน้อยสุดแล้วครับหลวงพอ่อแล้วก็พบว่าสภาวะแววแววนวลนเนี่มันเกิดขึ้นแทบตลอดเวลาคือทุกครั้งที่เข้ามาในศาลาเนี่ยครับแล้วว่าเวลาไหว้พระสวดมนต์หรือว่าบางทีขณะฟังธรรมหลวงพ่ออยู่ที่บ้านมันก็มีสภาวะนี้เกิดขึ้นนะครับก็ดีกว่ามืดมืด น, นะเวลาที่กูศลเกิดมันก็เป็นพบอันหนึ่งเหมือนกัน แต่ว่าไม่จําเป็นต้องไปกระจัดมันมันคือเมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักสภาวะนี้พอพอเริ่มรู้จักสภาวะนี้เนี่ยมันเหมือนใจมันให้ค่า ว, ว่ามันเป็นพบพบหนึ่งที่มัน<ต>เราไม่ควรเป็ น, นติบใช่ครับแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลใจนะต่อไปมันจะใสขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไม่หนวนลนะยะผุดพองสายกระจ่างตรงนั้นแนหะที่อาจารย์มหาบัวเรียกว่าจิตอวิชชา ตอนนี้จิตเราอยู่ในจิตในพอบพรมที่ดีให้เรารู้ไปเรไ ย, ย้มันจะพ้นจากสิ่งห่อหุ้มได้เนี่ยนะต้องเป็นพระละหันเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีเปลือกอันนี้หุ้มอยู่ตลอด <Okay. S 1> จิตนะเหมือนเหมือนลูกไกนะ่จิตนะมันเหมือนลูกไก่มีเปลือกหุ้มอยู่ถ้าไม่มีเปลือกหุ้มมันตายไปก่อนนะเันต้องเป็นมีลูกมีเปลือกหุ้มอยู่แล้วมันค่อยๆเติบโตขึ้นมา พอมันเติบโตเต็มที่มันจะเจาะทาลายเปลือกอันนี้ออกมาเองไม่ใช่เราจะต้องไปทาลายมันถ้าทาลายแล้วลูกไก่นี้จะแท้งไปเลย <c oughs> คือไม่ได้ภาวนาแล้วเพี้ยนมันมันจะคอยกังวลเกี่ยวกั บ, บ, บให้รู้ลงปัจจุบันเวลาครับให้รู้ลงปัจจุบันกังวลรู้ว่ากังวลไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมพอ่อคือสภาวันนี้ไม่ใช่เกิดจากการกดใช่ไหมครับคือหรือว่าทีแรกผมเข้าใจว่า ด ก, ดกดมันกดมันด้ทื่อๆนะแข็งๆทื่อๆไปถ้ากดไปแต่ถ้ามันจะรู้สึกเหมือนกันว่าจิตเราเนี่ยมีเปลือกหุ้มอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นธรรมดาคือตราบใดที่อาสวะกิเลสยังไม่ถูกทำลายนะอาสวะกิเลสเนี่ยก็ห่อหุ้มจิตไว้อย่างนี้แหละนี่กิเลสเนี่ยพอเบาบางลงมันจะผ่องใสพอมันหยาบมันก็ขุนมัว นนั้กิเลสเนี่ยพอละเอียดพอประณีตเข้านะเรานึกว่ากุศลจะด้วยซ้ํำไปแต่ว่าสติปัญญาเรารู้มากแล้วว่าไอ้นี่ไม่ใช่กุศลแท้ๆหรอกมันเป็นสิ่งทึ่งห่อหุ้มจิตไว้ทําให้จิตไม่เป็นอิสระก็อย่าไปเกลียดมันถ้าไปเกลียดมันมันจะขุนมากกว่านี้อีกไม่หายนะไม่หายแล้วต้องเป็นพระอราหันต์ถึงหายหลวงพ่อขืนท่านบอกเหมือนอยู่ในไหกระเทียม ใครจะคุยต่อเชิญอ น, อนู่นนั้นเอาว่าไปไหนๆก็จับมือแล้วกลับรรมรสการหลอครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับจะมีปัญหากับความรู้สึกตัวเองนะครับอยากจะทราบว่าเวลาไหนที่เรารู้สึกตัวจริงๆครับตอนนี้เราบังคับอยู่ดูออกไหมเวลาที่เรารู้สึกตัวจริงๆนะก็คือเวลาที่เรารู้ทันว่าสภาวะอะไรกําลังปรากฏอยู่แค่นั้นเอง เวลาที่เรารู้สึกตัวจริงๆคือเวลาที่เราไม่ได้เผลอไปเนี่ยเผลอไปละรู้สึกไหมใจไหลไมคิดเนี่ยตรงเนี้ยเรียกว่าไม่รู้สึกตัวเนี่ยตรงเนี้ยทื่อๆแล้วรู้สึกไหมตรงนี้เรียกว่าเพ่งเอาไว้ภาวะแห่งความรู้สึกตัวนี่เป็นทางสายกลางไม่เผลอไปแล้วก็ไม่ได้เพ่งเอาไว้นี่ทํำยังไงภาวะความรู้สึกตัวที่เป็นทางสายกลางจะเกิดขึ้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางนะ มันจะเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใจเราแอบไปคิดเนี่ยแอบไปคิดล้ใจเราหนีไปคิดปุ๊บเรารู้ทันว่าหนีไปคิดเราก็จะตื่นขึ้นมาเลยแต่ถ้าพอใจหนีไปคิดแล้วเราไม่ชอบเราไปดึงไว้นะเราจะมาเพ่งแทนใจจะทื่อๆแข็งๆทื่อๆใช้ไม่ได้เผลอไปก็ใช้ไม่ได้เนี่ยแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมใจมันไหลไปคิดก็ให้เรารู้ทันพอเรารู้ทันแล้วเราจะตื่นขึ้นชั่วขณะหนึ่งชั่วแวบเดียว เดี๋ยวก็จะหนีไปคิดใหม่แล้วก็รู้สึกอีกใจเราก็จะเดี๋ยวก็เผลอ <_ an> เดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ย <_ an> วก็เผลอเดี๋ย <_ an> วก็รู้สึกสลับกันไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ไลยจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่บังคับไม่ได้จิตทุกชนิดเสมอภาค ก, กันหมดเลยทั้งจิตที่รู้สึกตัวและจิตที่เผลอนะบังคับไม่ได้ถึงจุดหนึ่งจะวางวางทั้งคู่เลยไม่ใช่จะเอาจิตที่รู้สึกตัว พวกเราฝึกให้มีจิตที่รู้สึกตัวเพื่อจะรู้ทันว่าจิตที่เผลอมันมีแล้วทันทีที่รู้สึกตัวจิตที่เผลอก็ดับเนี่ยเราจะได้เห็นความเกิดดับทีนี้รู้สึกตัวขึ้นมาชั่วแวบหนึ่งก็เผลอใหม่มีความรู้สึกตัวดับอีกแล้วถึงจนหนึ่งจะเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับภูมิธรรมที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยคือภูมิธรรมของพระโสดาบันงั้นไม่ใช่ว่าพระโสดาบันเนี่ยมีแต่ความรู้สึกตัวล้วนๆไม่ใช่ ใจนี้ไปคิดแล้วรู้สึกไหมมันเลื่อนลอยไปมันเลื่อนลอยไปก็รู้ว่ามันเลื่อนลอยสังเกตไหมมันลอยไปเองมันไปได้เองเนี่ยดูอย่างนี้นะจะเห็นว่ามันทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าวันใดเห็นว่าทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่เราเนะีก็เป็นพระโสดาบันนั่นแหละฉนั้นไม่ได้เรียนเพื่อจะบังคับให้อยูย่กับตัวตลอดแต่เรียนเพื่อให้เห็นว่าเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เลือกก็ไม่ได้ เรียนเพื่อตัวนี้นะอย่าตั้งเป้าหมายของการเรียนธรรมะผิดถ้าตั้งเป้าหมายว่าเราจะเอาแต่ความสุขความสงบเอาแต่ความดีอะไรเงี้ยอันี้ตื้นไปจะได้แต่สมถะ h a แอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมไปทําใจทื่อๆกระตุกกระดิกไว้ <laughs> ไปกดมันไว้แล้วรู้สึกไหมไปกดมันทื่อๆมางกาจีรัตนเหรอ เคหัว ส, สักทีนะให้เก็ไหมตอนที่เผลอไปตะเกียะพอเรารู้ใช่ไหมมันจะพอดีพอดีอย่าไปเพ่งไว้นะเผลอไปแล้วก็รู้สึกขึ้นมาเผลอไปแล้วรู้สึกขึ้นมาดีกว่ากลัวเผ ล, ลอแล้วไปเพ่งเอาไว้ถ้ากลัวเผลอแล้วไปเพ่งอาไว้นะใจก็ทื่ทอๆอยู่งั้นใช้ไม่ได้หรอกให้มันเผลอไปปล่อยมันให้มันทํางานอย่างอิสระเนี่ยเมื่อกี้ไปดูชีรัตแล้วลืมตัวเองนึกออกไหม ตัวเราหายไปแล้วให้มันหายไปเป็นช่วงๆไม่ใช่รู้สึกมันตลอดเวลาถ้ากลัวจะหายไปนะ่าจะเพ่งเอาไว้ตลอดเวลาใช้ไม่ได้หรอกกายก็นิ่งๆใจก็นิ่งๆดที่พวกเรามาเรียนกับหลวงพ่อนะเราเรียนเพื่อให้เกิดจิตซึ่งมีคุณภาพสำหรับการเจริญปัญญาส่วนการเจริญปัญญานะั้นมาเรียนจากหลวงพ่อไม่ได้ต้องไปเรียนเอาเองเรามาเรียนเพื่อให้เรามีจิต ที่พอเหมาะพอควรแก่การเจริญปัญญาจิตชนิดนั้นคือจิตที่มีสติมีสัมมาสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสักว่ารู้สักว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางเนี่ยที่เรามาเรียนเพื่อจะให้ได้สิ่งนี้ไปพอเราได้สิ่งนี้ไปแล้วเราก็ต้องไปฝึกเอาเองนะฝึกมากๆรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏด้วยจิตที่เป็นกลางไปเรื่อยๆแล้วทุกสิ่งนั้นจะสอนธรรมะที่แท้จริงให้เราคือทุกสิ่งจะเกิดแล้วก็ดับให้ดูนะ ถึงจุดหนึ่งปัญญามันก็แจ้งเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้ไม่มีตัวเราได้ถ้าโสดาบันก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกจนเห็นในกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆหมดความยึดถือในกายในจิตนะเป็นพระอรหันต์เราจะมีแต่ความสุขล้วนๆในคราวนี้แอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมใจป้อแป้ลงไปแล้วหมดเรื่องหมดแรงรู้สึกไหมใจให้รู้ทันลงไปนะรู้ลงไป อ่ะคุณนนท์เมื่อกี้ยกมือมเห็นแวบๆแมีใครใครจะยกมือเชิญครับรักษาการหลวงพ่อครับเบอร์สี่บเจ็ดหลงเบอร์ห้าสิบสามหลงนะจำเบอร์ไว้หน้าไม่ใช่เรียกแล้วก็นึกว่าคนอื่นครับก็คือเคยมาประมาณสักสองเดือนที่แล้วครับมาครั้งแรกนี่ครั้งที่สองก็ไปคอยตามดูตามรู้อยู่ก็เห็นความคิดตัวเองเยอะเยอะมากแล้วก็เป็นความคิดที่ไม่ดีก็เยอะก็มีคิดว่าเราเคยคิดที่ได้ไงเพิ่งมารู้ฮะ มัน <ละ S 1> คิดได้เองมันจะเดเองแล้วเราควรจะไปสนใจกับความคิดพวกนั้นไหมไม่สนใจให้เรารู้ทันแค่ว่าจิตมันหนีไปคิดแล้วแล้วมันก็หนีไปได้เองมันไม่ใช่ตัวเราเจําไว้นะเราเรียนกรรมฐานเนี่ยเป้าหมายแรกเราจะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้พระโสดาบันคือคนที่ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเพราะหน้าที่ของเราเนี่ยมารู้อยู่ที่กายมารู้อยู่ที่ใจจนเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรา มันไม่ใช่ตัวเราเพราะอะไรมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยแล้วเราบังคับมันไม่ได้จริงมันเป็นอิสระจากเรานี่เรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้นะไม่ใช่เรียนเพื่อให้จิตสงบไม่ใช่เรียนเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบไอ้นั้นตื้นไปนะถ้าเอาดีเอาสุขเอาสงบเนี่ยนะศาสนาอื่นเขาก็สอนนะไม่ใช่ศาสนาพุทธก็มีเพราะว่าสมถะกรรมฐานนี่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกแต่พระพุทธเจ้าเรียนจนให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา ที่ท่านพุทธทาสท่านบอกไม่ใช่ตัวกูของกูถ้ามันไม่มีตัวเราสัอย่างหนึ่งแล้วใครมันจะทุกข์ล่ะมันก็ไม่มีผู้ทุกข์สิเราเรียนจะราพ้นทุกข์ไปแต่ถ้าจะเรียนแล้วทำยังไงจิตจะสงบถาวรจิตจะสุขถาวรจิตจะดีถาวรอยากได้คำว่าถาวรนะนะถาวรไม่มีในโลกนี้เพราะในโลกนี้มีแต่ไม่ถาวรงั้นคนชื่อถาวรก็มีแต่ชื่อนะไม่ถาวรหรอก ครับแล้วเข้าก่อนหลวงพ่อเคยทักไว้ว่าอย่าส่งจิตไปดูชาวบ้านเขาหมายถึงว่าจิตผมชอบไหลไปเรื่อยๆองนั้นหรือเาครับเนี่ยให้เราคอยรู้ทันจิตจิตหนีไปดูคนอื่นเราก็รู้ทันให้รู้ทันไปเรื่อยเพื่อจะได้เห็นว่าเออมันไปได้เองฮะมันทํางานได้เองฮะดูไปอย่างนี้นะแล้วมันจะเกิดความคิดเองหรือว่าที่มันไม่ใช่ของเรานี่เพราะเราเห็นการที่มันคิดโดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องธรรอย่างนี้ใช่ไมใช่ไปเรื่อยมันจะมันไปทํางานได้เอง นะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะรวมเข้ามาเองนะรวมอัปปนาสมาธิเลยรวมเข้าถึงฌานเลยแล้วเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะัพอถอยออกจากอริยมรรคอริยผลนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอีกแล้วว่าในโลกนี้มีตัวเราอยู่นะหายขาดไปเลยพอมันไม่มีตัวเราที่จะรองรับความทุกข์ใครจะทุกข์อ่ะก็เรื่องของมันสิใช่ไหมถ mm hmm. ามว่าอะไรทุกข์กายเป็นทุกข์เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเรา ใจมันทุกข์เรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเราขันนะมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ฝึกจนขันเป็นสุขนะขันของพระละหันก็เป็นทุกข์นะเพราะว่าขันท่าทั้งปวงนั้นเป็นทุกข์ถ้าพระละรหันไม่ยึดถือขันคือไม่ไปหยิบช่วยเอาความทุกข์ขึ้นมาคล้ายๆกับสมมุติว่าตัวนี้เป็นฐานไฟแดงๆร้อนๆพระละหันรู้ว่านี่เป็นของร้อนนะท่านโยนทิงไปแล้วท่านก็ไม่หยิบมาอีก ส่วนของเรายังไม่รู้ดีนะเสิร์ไปแอบหยิบมาเป็นประยะระยะไม่ว่ายังไม่เข็ดดูลงไปจนมันเข็ดนะ okay. แล้วแล้วที่ <c oughs> ปฏิบัตินี่มันแย่ขึ้นหรือมัน <c oughs> เพ่งมากขึ้นไหมหรือว่ามันไม่เพ่งมากขึ้น <c oughs> เพ่งน้อยลงนะเร <Okay. S 1> ู้สึกไหมใจเราสว่างขึ้นโปร่งขึ้น <c oughs> ถ้าเพ่งนะใจมันจะทื่อๆแข็งๆทื่อๆใช้ไม่ได้ <Okay. S 1> <c oughs> แล้วความตั้งมั่นของจิตนี่คืออะไรหมายถึงว่าหลวงพ่อเคยพูดในซีดีประจําเรื่อง อยู่ที่ฐานมีอยู่ที่ฐานมันทำให้เราดูวจิตไม่เป็นไรถ้ามันไม่ถึงเดี๋ยวจะบอกให้โอเคครับขอบคุณครับเซมเบ้ใช่ไหมหรือไม่ใช่ไม่ใช่หน้าคล้ายๆกันนึกว่าศิลปินนึกว่าเซมเบ้อ้ามีใครเชิญเชิญคุณติดเพ่งนะคุณเพ่งไว้แรงไปกรรมสักกณ์หลงพอกับผมเป็นครั้งแรกที่มา ที <techniques, S 1> ่นี่นะครับแต่ที่ผ่านมาก็คือจะฟังซีดีแล้วก็อา่านหนังสือที่หลวงพอ่อ ไ, ได้เขียนนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงเปลง <S <S มสมัยเดิมเนี่ยคือรู้ตัวเองเลยว่าชีวิตที่เกิดมานี้ไม่ไม่มีคุณค่าเลยนะครับพอหลังจากที่พอได้ได้เริ่มฝึกแล้วก็จะเริ่มเห็นสิ่ ง, งใหญ่ๆเกิดขึ้นเช่นบวกรอดรู้นะครับหรือแล้วโลภหรือโทสะอะไรต่างๆเนี่นรรยรู้นะครับพอหลังจากนั้นอีกประมาณ3เดือนก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงกันอย่างคือเริ่มเห็น เห็นเยอะเลยนะครับอยากเห็นความละเอียดมากขึ้นนะครับ <He S 2> เมื่อกิเลสเกขึ้นใงจิตนะครับอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องสมมติ<ด>เรื่อง A เกิดขึ้นเนี่ยพอผมรู้ปุ๊บเนี่ยโผล่เป็นเรื่อง B เป็นตามมาต่ อ, แ ล, อแล้วก็แล้ก็ดูฟังไม่ค่อยออกต่อมาคือได้ได้รู้ได้รู้ละเอียดมากขึ้นนะครับตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าผมไปหลงไปเรื่อง A นะครับพอหลงปุ๊บพอรู้เสร็จปุ๊บก็คือมันก็ดับนะครับแล้วมันก็วิ่งไปเรื่อง B ต่อ พอรู้เสร็จระดับต่อบางทีก็ย้อนกลับเรื่องเองใหม่หอันนี้คือสิ่งที่เป็นเวัานธรรมที่ผมได้ได้ได้พบนะครับรและสิ่งอย่างที่ เ, เกิดจากตัวเองก็คืออย่างทางด้านกา ย, ยผมดูตัวเองว่าสิ่งที่ผมทําได้มากคือตอนตอนหลับนะครับเพราะผมเป็นคนที่พลิกตัวบ่อมากการใส่ช่วงเวลาเนี่ยมันจวงในการฝึกเพ ร, รู้นะครับก็ย่าส่งกันบ้างใช้ได้นะของคุณพอกลับพอหยุดพูดกลับมาเพ่งเลย ของคุณติดเพ่งนะคุณเลิกตรงนี้ซะแล้วจะสบายกว่านี้แล้วเราจะเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นอิสระจากตัวเรานะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดเลยในกายในใจนี้ล้วนแต่แสดงปรากฏการณ์ทั้งนั้นนะไม่ใช่ตัวเราของคุณใช้ได้นะของคุณดีเพียงแต่ว่าคุณติดเพ่งเยอะไปมุขของเก่าพวกเราน่าเสียใจเราอยากพ้นทุกแต่เราไม่ได้เรียน ธรรมะแห่งการเจริญสติจริงๆส่วนใหญ่เราไปเรียนแล้วเราไปติดสมถะมันติดการเพ่งมาเพราะว่าในสังสารวัตรเนี่ยนานๆถึงจะเกิดคำสอนเกี่ยวกับการเจริญสติขึ้นมาตลอดเวลาที่ผ่านมามันมีแต่การเพ่งเพราะฉะนั้นพวกเราจะคุ้นเคยกับการเพ่งนีถ้าเราไเรียนแล้วเราค่อยๆสังเกตไปการเพ่งนี่มันเกิดจากความอยากดีพอเราอยากดีเราก็คอยควบคุมตัวเองบังคับกายบังคับใจ มันก็คือคําว่าอัตตะกิลมัทธานิยมนั่นเองอเนั้นกลายตัวนี้ออกนะแล้วที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้เลยลดความโคงใจลงนิดหนึ่งทําตัวให้สบายนะฝึกยังมีความสุขในพระไตรปิฎกท่านชอบสอนเนี่ยบอกว่าพอจิตสงบแล้วนะนะจิตเบาจิตอ่อนจิตคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานนะโน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อให้เกิดญาณทัศนะหมายถึงเราต้องมีจิตซึ่งสบายสบายนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานด้วย ไม่ใช่ผู้แข่งกระด้างเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันจะคอยรู้กายรู้ใจของมันเองแล้วมันจะเห็นกายนี้แสดงปรากฏการไปเห็นจิตใจทํางานไปเรื่อยๆไม่ใช่เราสัอันเดียวพอเห็นซ้ําๆนะั้นวันหนึ่งก็จะตัดความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้มันละเองนะอริยมรรคเนี่ยไม่มีใครทําให้เกิดได้เขาเกิดของเ้าเองเมื่อจิตนี้มีอินทรีย์แก่กล้าเพียงพอแต่อินทรีย์จะแก่กล้าได้เราก็ต้องหมั่นเจริญสติ คือรู้สึกตัวบ่อยๆไม่เผลอ ER ไปไม่เพ่งเอาไว้รู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกเรื่อยๆเห็นกายเห็นใจเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าไม่เที่ยงเห็นเขาทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดอันหนึ่งเรียกว่าเป็นทุกข์นะเห็นว่าเราบังคับไม่ได้เขาทํางานได้เองเขาเป็นอิสระจากเราที่เรียกว่าอนัตตาถ้าหากเราไปฝึกเพ่งเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าจิตเป็นอนัตตาแต่เราจะยิ่งรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเราจะรู้สึกว่ายิ่งฝึกไปเราจะยิ่งบังคับได้ พพ เ, เพราะฉะนัพวกฤาษีชีไพรเนี่ยพอเขาฝึกมากเข้ามากเข้าเขาจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเขาจะประกาศว่ามีอัตตาพอร่างกายตายไปจิตที่เป็นอัตตาก็ไปเกิดใหม่เขาจะรู้สึกอย่างนี้แล้วเราคอยรู้เล่นๆนะอย่าบังคับนะอย่างตอนเนี้ฟังหลวงพ่อแล้วก็ไหลไปคิดตามาใช่ไหแก่แค่รู้ว่าเขาไหลไปคิดใช้ได้นะคุณฝึกดีใจด้วยฝึกเถอะแล้วมีความสุขศาสนาพุทธเนี่ยเราเรียนรู้ทุกคือเรียนรู้กายรู้ใจ แต่ลาเราไม่ได้เป็นทุกข์นะงั้นศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่มองโลกแง่ร้ายศาสนาพุทธสอนให้เรารู้ทุกข์คือกายกับใจทุกข์ไม่ได้แปลว่าความทุกข์ทุกข์ก็คือขันห้าทุกข์คือกายกับใจแต่ว่าเมื่อเรารู้ทุกข์แล้วจิตจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นคุณรู้สึกไหมจิตคุณมีความสุขมากขึ้นแค่มีสติก็มีความสุขนะ ใจตั้งมั่นขึ้นมาก็มีความสุขมีปัญญาเห็นทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็มีความสุขมีวิมุติเกิดขึ้นก็มีความสุขจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นลาดับลาดับไปเพราะฉะนั้นยิ่งเรารู้ทุกแจ่มแจ้งคือรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งมีความสุขมากเท่านั้นสุดท้ายแล้วเราได้บรมสุขมางนั้นศาสนาพุทธไม่ใช่ศา ส, สนามองโลกแง่ร้ายอย่างที่บางคนคิด เรารู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจสิ่งที่เราได้มาคือบรมสุขคือนิพพานนั่นเองมีความสุขที่สุดเลยสุขเหมือนี่บธาตุขันกายใจของมนุษย์นี่ทนไม่ได้มันสุขขนาดนั้นขันห้านเนี่ยแทบจะรองรับความสุขนี้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นบางท่านพอบรรลุพระอรหันต์แล้วนะถ้าไม่มีปณิธานใดๆเหลืออยู่อีกแล้วเนี่ยก็จะนิพพานไปเลยตายไปเลยเพราะขันห้านเนี่ยมันทนรองรับความสุขนี้ไม่ได้ แต่ถ้ามีงานยังต้องทําอยู่อะไรเงี้ยก็ยังไม่นิพานไปยังดํำรงชีวิตอยู่อีกช่วงหนึ่งแล้วก็ความสุขที่รุนแรงนะีจิตมันจะค่อยๆ ค, คุ้นเคยมันจะค่อยๆสงบราบคาบลงมานะมีความสุขที่ประนีตแล้วชุ่มฉ่าอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนดีนะัทคุณภาวนาสติของคุณดีคุณนอนหลับคุณก็รู้สึกได้ละ ใส่การตอนตอนพลิกตัวครับพอพลิกตรู้สึกเองนะพริกซ้ายพลิกขวาพอรู้สร็จมันก็มันก็เกิดอะไรขึ้นมาสักในในใจสักอย่างรู้สึกว่ามันมันกายนี่มันมันทุกข์เห็นแต่ทุกข์นะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่ทุกข์ตัวไปเรื่อยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยคนไม่เห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นทุกข์คนก็เลยติดอกติดใจแต่ถ้าเมื่อไหรเราเห็นแจ้งว่ามันทุกข์ล้วนๆนะจิตจะสลัดทิ้งเลยเหมือนที่หลวงพ่อเทียบไปหยิบเอาก้อนฐานไฟมามันร้อนนั้นมันสลัด ถ้ามันเห็นกายหเห็นใจเป็นทุกข์เมื่อไหร่มันสลัดเมื่อนั้นเลยเอานี้เลยเวลาไปนานละอา้าวเชิญไปทานข้าว